สิกขาบทที่9ภิกษุณีบวชให้สิกขมานาผู้คลุกคลีกับชายคลุกคลีกับเด็กหนุ่มดุร้ายผู้ทาชายให้ระทมโศกต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งกำลังบวชให้ต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อบวชให้แล้วต้องอาบัตปาจิตตี